คิดอยากทำคิดอยากพูดให้เพอร์เฟคือวิธีคิดที่บกพร่องเมื่อวิธีคิดบกพร่องคางพูดและการกระทำเลยเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดออกอาการเกรงเค้นคำพูดมากเกินไปย้อนกลับมาคิดถึงคำพูดที่หลุดปากมากเกินไปมือไม้มีอยู่นิ่งปัดตกห ก, กล่นมากเกินไปทุกความอยากที่เกินจริง นำมาซึ่งความรู้สึกที่ผิดปกตินับแต่ใจที่กระวนกระวายต่างจากธรรมดาไปจนกระทั่งสายตาที่มองโลกบิดเบี้ยวตอนเมื่อเห็นความอยากเพอร์เฟเป็นแค่อาการผิดปกติทางใจได้บ่อยๆเมื่อนั้นเจตจึงค่อยๆ ค, คืนความเป็นปกติให้ตัวเองรู้สึกเป็นตัวของตัวเองในแบบคนสติดีที่พูดและทำได้ดีที่สุดเท่าที่ตนมีเป็นธรรมดา ชีวิตที่เป็นปกติสุขคือชีวิตที่ผิดพลาดได้ด้วยความไม่รู้และแก้ความผิดพลาดได้ด้วยการรู้วิธีเข้าหมดรับผิดชอบแบบไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวเสียหน้ามีความสง่างามที่จะยืดอกไม่ใช่เอาแต่ตัวงอไรศักดิ์ศรี